แวนก้าผู้รู้อนาคตและมีตาทิพย์เชื่อหรือไม่แปลโดยอุทิตทินกรณ์ณอยุธยา 1. คนตาบอดแต่สอดตาเห็น 2. รัฐบาลถึงกับลงทุนจ้างไว้ทำนายเหตุการณ์ 3. รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่นับถือทฤษฎีวัตถุนิยมไดอะเล็กติกสแต่หันมาสนใจค้นคว้าเรื่องวิญญาณแวนก้าเดนิโทรว่าคือนามของสตรีตาพิการผู้หนึ่งที่เรากำลังจะกล่าวขวัญถึงอยู่หน้าบัตรนี้ แวนกาเป็นผู้มีตาทิพซึ่งได้รับการยกย่องกันว่ามีความสามารถพิเศษทัดเทียมกับผู้ที่มีตาทิพนามกระเดื่องของโลกสองท่านคือเจอราว์กรัวเซแห่งฮอลแลนด์และจีนดิกสันแห่งอเมริกาผู้ทำนายมรณะกรรมของอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีและอื่นๆได้ถูกต้อง และประเทศคอมมิวนิสต์ที่หันมาสนใจค้นคว้าปรากฏการทางวิญญาณก็คือประเทศบันเกเลียซึ่งเป็นประเทศหลังม่าเหล็กประเทศหนึ่งเรื่องที่จะนำมาถ่ายทอดสู่กันฟังนี้ปรากฏในหนังสือเล่มใหม่ชื่อการค้นคว้าทางวิญญาณหลังม้าเหล็กประพันโดยเชยลาออสเทรนเดอร์และลินชโลเดอร์ซึ่งตีพิมพ์จาหน่ายอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา วันกาเดนิโตรว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เปตริชซึ่งเป็นเมืองเล็ ก, เ, ลกเมืองหนึ่งใกล้พรมแดนของประเทศกรีกประชาชนทั่วไปเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ในความสามารถของเธอต่างก็พากลังไหลไปหามิได้ขาดความมุ่งหมายของประชาชนที่ไปหาแวนก้านั้นล้วนแต่มีความทุกข์ร้อนต่างๆกันบางคนไปหาเพื่อให้แวนกาช่วยคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมบางคน ก็ไปขอให้ช่วยหาสมมุติฐานของโรคภัยไข้เจ็บแต่คนส่วนมากที่มุ่งไปขอความช่วยเหลือนั้นมักเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาและเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตซึ่งแวนก้ามีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ที่เขียนเรื่องนี้ได้เข้าพบแวนก้าด้วยตนเอง ปรากฏว่าเธอเป็นหญิงชาวชนบทอายุประมาณ50ปีแวนก้าได้เล่าว่าแขกผู้มาหาและขอคำปรึกษากับเธอนั้นมีทุกเพศทุกวัยทุกชั้นตลอดจนถึงชาวต่างประเทศด้วยคือมีตั้งแต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงที่สุดผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยตลอดจนถึงชาวชนบทโดย ท, ทั่วไปปัญหาที่เขาถามก็มากเป็นเรื่องทางวิญญาณไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอย่างใด นักวิทยาศาสตร์ผู้มาทำการทดสอบแวนก้าต่างก็รับรองว่าเธอเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆในความสามารถอันยิ่งใหญ่ในทางนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งได้กล่าวกับผู้ประพันธ์เรื่องนี้ว่าแวนก้าเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักในเมื่อต้องพยากรณ์เหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นไปในทางที่ดีแก่ผู้ที่มาหาเธอโดยเฉพาะบางครั้ง ในเมื่อเกี่ยวกับผู้อยู่ใกล้ชิดของเธอซึ่งเธอรู้จักดีแต่มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆในเมื่อเธอต้องบอกไปตามความเป็นจริงเช่นในระหว่างสงครามมีผู้มาหาเธอเป็นจำนวนมากเพื่อถามถึงญาติพี่น้องหรือบุตรหลานที่หายไปในระหว่างการรบว่าเขาเหล่านั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วหรือบางทีพวกทหารที่จะไปสงครามก็มาถามเธอว่า เขาไปทับครั้งนี้จะมีชีวิตรอดกลับมาบ้านไหมในเรื่องเช่นนี้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตอบไปตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นการดีสำหรับบางรายแต่แน่ละ่ะย่อมเป็นการเสียขวัญสำหรับบางรายด้วยเหมือนกันแวนไก่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอรู้เรื่องเช่นนั้นได้อย่างไรเธอบอกว่า เธอรู้ล่วงหน้าถึงมรณะกรรมของสามีของเธอคือดิมิทรียอ s เยฟก่อนหน้าที่เขาจะตายหลายปีแต่เธอก็รู้ด้วยเหมือนกันว่าไม่มีทางที่จะช่วยเขาได้เลยและในที่สุดเขาก็ถึงแก่ความตายในวันที่และโดยอาการดังที่เธอเห็นในนิมิตจริงๆความจริงแวนก้าไม่ได้ตาบอดมาแต่กำเนิด เมื่ออายุได้13ปีเธอเริ่มมีอาการของโรคตาปรากฏขึ้นจนกระทั่งมองไม่เห็นไปเป็นพักๆเธอได้รับการผ่าตัดสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพอถึงอายุ19ปีอาการตาที่มองไม่เห็นก็กลับมาอีกและในที่สุดเธอก็ตาบอดสนิทแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มมีความสามารถพิเศษในทางทิพจักษุอย่างประหลาด เธอได้พยากรมรณะกรรมของบิดาของเธอเองอย่างถูกต้องและในไม่ช้าชื่อเสียงของเธอเกี่ยวกับความสามารถในด้านนี้ก็เลื่องลือไปทั่วบริเวณนั้นเป็นอันว่าเธอได้เสียตาเนื้อไปเพื่อจะแลกเอาตาทิพมานั่นเอง สตรีผู้หนึ่งซึ่งมีตำแหน่งสังกัดในรัฐบาลบันแกเลียเล่าว่าบิดาของเธอคือสตรีผู้นี้เป็นนายแพทย์ซึ่งมีทัศนคติในทางยึดถือวัตถุนิยมอย่างรุนแรงผู้หนึ่งไม่เชื่อในความสามารถของแวนก้าและโดยเหตุที่ยึดมั่นในทฤษฎีของตนจึงวินิจฉัยว่าแวนก้าคงจะมีอุปาทานอนหลงผิดซึ่งเกิดขึ้นในจิตสานึก หรือไม่ก็จิตไร้สำนึกประการใดประการหนึ่งโดยเหตุนี้บิดาของเธอจึงตั้งใจจะไปพิสูจน์หาความจริงให้ได้วันหนึ่งบิดาของเธอก็เดินทางไปหาแวนก้าเมื่อไปถึงก็พบว่าประชาชนจำนวนมากกำลังรอคอยรับความช่วยเหลือกันอยู่ก่อนแล้วแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า แวนก้าได้ออกมาเชื้อเชิญต้อนรับบิดาของเธอก่อนผู้อื่นพร้อมกับเรียกชื่อเ ล, เล่นของเขาได้ถูกต้องด้วยซึ่งชื่อเล่นเนี่ยไม่มีใครอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวเท่านั้นที่จะทราบได้เหตุนี้จึงทำให้บิดาเธอรู้สึกประหลาดใจมากนอกจากนั้นแวนก้ายังกล่าวว่าเหตุที่เธอต้องออกมาเชื้อเชิญเขาก่อนผู้อื่นก็เพราะในกลุ่มคนที่มาคอยพบเธอในวันนี้ ก็มีแต่เขาผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อในความสามารถของเธอเมื่อได้เชื้อเชิญให้บิดาของเธอเข้าไปภายในแล้วแหวนก้าก็เริ่มทำนายทายทักเธอกล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของบิดาเธอพร้อมทั้งรายละเอียดได้อย่างถูกต้องแม้จนกระทั่งเรื่องที่เขาแต่งงานมาแล้วถึงสามครั้งสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต แวนก้าไทายว่าบิดาของเธอจะต้องตายด้วยโรคมะเร็งภายใน14ปีคือในปี1958จากนั้นแวนก้ายังได้ทำนายถึงบุตรสาวของบิดาเธอคือตัวสตรีผู้เล่านี้ได้อย่างถูกต้องหลายประการเกี่ยวกับบุตรชายเธอถายว่าจะประสบมรณะกรรมโดยอุบัติเหตรุระหว่างอายุ 20-30 ถึงปี ในที่สุดบิดาของเธอก็ต้องเชื่อในความสามารถของแวนก้าและต่อมาเขาก็ตายด้วยโรคมะเร็งจริงๆในปี1958ส่วนน้องชายของเธอก็เสียชีวิตโดยถูกรถประจําทางทับตายในระหว่างอายุไขตามคําทํานายนั้นเช่นกันเมื่อปี1941แวนก้าได้บอกกับพี่สาวว่าภายในไม่ช้านี้ จะมีชายในเครื่องแบบจากต่างประเทศผู้หนึ่งมาหาฉันและชายผู้นี้แหละจะเป็นคู่สมรสของฉันภายในไม่กี่เดือนต่อมาก็ปรากฏว่ามีทหารหนุ่มผู้หนึ่งมาหาแวนก้าชายผู้นี้ชื่อดิมิทรียอ s เยฟเขามีความประสงค์ที่อยากจะทราบว่าใครเป็นผู้ค่าน้องชายของเขา ความจริงตามภาพที่เห็นแวนกายเห็นตัวฆาตรกรว่ามีอยู่สองคนคนหนึ่งนั้นก็ตายในถนนที่วิวาทกันนั้นแล้วแต่เธอไม่ยอมบอกเพราะเกรงว่าดิมิทรีจะไปดำเนินการล้างแค้นเธอเพียงแต่บอกให้ทราบแต่ตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตรกรรมแต่ไม่ได้ลงมือกระทำเท่านั้นเรื่องนี้หลายปีต่อมา ฆาตกรคนที่เหลืออยู่เมื่อใกล้จะตายก็ได้รับสารภาพว่าตนเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องชายของดิมิทรีด้วยต่อมาเมื่อดิมิทรีถูกปลดปล่อยจากการเป็นทหารแล้วก็ได้กลับมาหาแวนก้าและเขาก็ได้แต่งงานกับเธอภายหลังดิมิทรีเสียชีวิตลงแวนก้าจึงกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตน ภายหลังจากการแต่งงานไม่สู้นานเพื่อนบ้านใหม่คนหนึ่งชื่อโบลิสทูรอฟมาให้แวนก้าตรวจสอบดูว่าน้องชายคนเล็กของเขาอายุ15ปีชื่อนิโคลาได้หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ปี1923ไม่ทราบว่าขณะนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ประการใดแวนก้าได้ใช้ตาทิพตตรวจสอบดูแล้วบอกว่า นิโคลาเมื่อจากไปก็ไปอยู่เมืองใหญ่เมืองหนึ่งในรัเสเซียและเขาเติบโตที่นั่นแต่ขณะนี้เขาไม่ได้อยู่นั่นแล้วเขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์และได้ตกเป็นเฉลยของพวกเยอรมันเวลาเนี้ยถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันเฉลยศึกต่อจากนั้นวานก้ายังทำนายว่านิโคลาจะกลับมาสู่มาตุภูมิในเร็วนี้แหละเขาจะกลับมาในเครื่องแบบสีเทาพร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบ โ o ลิสทูรอฟเพื่อนบ้านฟังแล้วก็ไม่รู้สึกจะเชื่อถือโดยสนิทใจแต่ต่อมาเหตุการณ์ก็เกิดสมจริงนิโคลากลับมาและเล่าเหตุการณ์ที่ได้พลัดพรากจากไปโดยละเอียดตรงกับที่แวนก้าบอกทุกประการแม้ตอนเมื่อเขากลับมาเขาก็สวมเครื่องแต่งกายแบบเฉลยศึกสีเทาและพร้อมกับมีกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบติดมาด้วย ในเรื่องการดูภาพญาติหรือมิตรของใครก็ตามที่สูญหายไปแวนก้าจะกล่าวทํานายได้อย่างถูกต้องและชี้บอกสถานที่ที่ผู้สูญหายนั้นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องด้วยความสามารถอันนี้ทําให้ประชาชนรู้จักเธออย่างแพร่หลายซึ่งแม้แต่ทางการตํารวจเองก็ยังต้องใช้ให้แวนก้าช่วยคลี่คลายร่องรอยต่างๆทางอาชญกรรมให้อยู่เสมอ แวนก้ากล่าวว่าภาพที่เกิดขึ้นด้วยตาในของเธอนี้เธอไม่สามารถจะควบคุมมันได้เลยและเธอก็ไม่มีทางจะรู้เสียด้วยว่าภาพต่างต่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาใดด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีการที่แวนก้าจะเที่ยวทานายทายทักให้แก่ผู้ใดนั้นมิใช่จะกระทำได้โดยอิสระการทำนายจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งขึ้นและจะต้องเป็นไปตามคิวและกฎเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อมีให้แวนก้าต้องได้รับความตราดตรำจากผู้มารบกวนเป็นจำนวนมากทั่วสารทิศประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็เพื่อที่การทดสอบจะได้ทราบข้อมูลและสถิติต่างๆในการทำนายได้อย่างมีกฎเกณฑ์ รัฐบาลบัลแกเรียจ้างแหวนก้าไว้ใช้ในกิจการของรัฐเดือนละ1 6 0่บาทสำหรับค่าบริการในการทำนายนั้นถ้าเป็นชาวบัลแกเรียจะต้องเสียครั้งละ40บาทสำหรับชาวต่างประเทศ240บาทรายได้ต่างๆนี้ตกเป็นของรัฐทั้งนั้นรัฐบาลได้แต่งตั้งให้ด็ออร์ยอชโลซานอฟอายุ43ปี ซึ่งเป็นประธานสถาบันทางประจิตวิทยาพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆอีก40คนเป็นผู้ควบคุมและทดสอบความสามารถของแวนก้าคณะกรรมการชุดนี้ล้วนมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อันประณีตและทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานทั้งสิน้นด็อกเตอร์ยอร์ผู้นี้ก่อนที่จะมาเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านประจิตวิทยาของบันแกเรียในยุคนี้ ประวัติเดิมเป็นนายแพทย์ทางอายุรเวทและจิตแพทย์มาเป็นเวลา16ปีและทั้งเป็นผู้สนใจในโยคะาศาสตร์มาเป็นเวลา25ปีนายแพทย์ผู้นี้นอกจากจะเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในบัณกิตเลียแล้วยังเป็นผู้มีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่ยอมรับนับถือในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันอีกด้วยในฐานะที่เป็นผู้ค้นพบอานาจอันมหัศจรรย์ของวิญญาณ ด็ออร์ยอเล่าให้ฟังว่าเขามีอายุเพียง20ิปีเขาสนใจเรื่องนี้มากจึงได้ไปหาแวนก้าพร้อมกับซาเชอีเทร็กผู้ร่วมงานคนหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยโซเฟียในการเดินทางไปหาแวนก้าครั้งนี้เขาปกปิดร่องรอยต่างๆมีให้ผู้ใดทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและได้จอดรถซ่อนไว้ห่างจากหมู่บ้านของแวนก้ามากและลงเดินด้วยเท้าไป ทั้งนี้เพราะเขาสงสัยว่าแวนก้าจะมีสายลับคอยสอดส่องดูคนแปลกหน้าและแอบบอกให้แวนก้าทราบล่วงหน้าก่อนเสมอเพื่อประโยชน์ในการทำนายทายทักเขากับผู้ช่วยได้ไปเข้าคิวรอคอยร่วมกับประชาชนคนอื่นๆ อ, อ, อีกหลายร้อยคนเขาต้องรอคอยอยู่ถึงสามชั่วโมงและระหว่างที่รอคอยอยู่นั้นก็ไม่ได้ปริปากพูดกับใครเลย เพื่อป้องกันร่องรอยที่จะเป็นสื่อให้รู้ได้โดยอำนาจจิตตามหลักวิชาการซาเชผู้ช่วยถึงรอบที่จะได้เข้าไปพบแวนก้าก่อนพอซาเชเข้าไปแวนก้าก็เริ่มบอกชื่อต้นและชื่อรองของเขาได้ถูกต้องนอกจากนั้นยังบอกถึงสถานที่เกิดลักษณะของอาคารและห้องที่พักอาศัยในปัจจุบันชื่อมารดา ความเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่ทำนายถึงสาเหตุของโรคภัยที่ทำให้บิดาของซาเชถึงแก่ความตายคำทำนายหลั่งไหลออกมาจากปากของแวนกาอย่างกับอ่านออกมาจากสมุดประวัติบันทึกท้ายที่สุดแวนกาถายว่าซาเชแต่งงานมาแล้วเจ็ดปีแต่ทว่าไม่มีบุตรอีกปีหนึ่งถึงจะมีคำทำนายนี้ถูกต้องสมจริงทุกประการ พอถึงรอบของดรยอร์บ้างพอเขาเดินเข้าไปแวนก้าก็เริ่มทักทายว่าคุณเป็นหมอที่รักษาคนไข้ด้วยวิธีสะกดจิตคุณจะมาทดสอบฉันแต่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะมาเนี่ยคุณมาเร็วเกินไปหรือเปล่าอีกหลายปีหรอกที่จะถึงเวลาที่คุณควรมาด็อร์ยอร์ไม่ปริปากพูดสักคำเขากำลังใช้อำนาจจิตสะกดไปที่แวนก้าเพื่อปิดปากเธอ เมื่อแวนก้าเริ่มทำนายต่อไปก็ปรากฏว่าคราวนี้เธอเริ่มทายผิดเธอเลยกล่าวว่าคุณไปสิเถอะฉันไม่สามารถบอกอะไรคุณหมอได้ในตอนนี้เลยอีก2ี่สิบปีต่อมาด็อกเตอร์ยอชเล่าว่าเขาก็ต้องมาหาแวนก้าจริงๆคราวนี้เขามาอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการ เขามาพร้อมด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันทันสมัยดำเนินการตั้งคำถามทดสอบหลายพันคำถามพร้อมทั้งใช้วิธีการทดสอบอย่างอื่ น, อ, นอีกด้วยความรัดกลุ่มอย่างยิ่งจบตอนแรกแปลาจากไซคีนิวส์ฉบับประจำวันที่29สิงหาคม1970 เรื่องยังมีต่อตอนต่อไปจะได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลได้ทดสอบเธอจนในที่สุดก็ได้รับรองความสามารถของเธอเป็นทางการ กับปัญหามากมายวนวุ่นไม่เกิดกับฉันได้ไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทําไมว่าเพราะอะไรคั่นเหตุขใครที่ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุก ต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกการได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทงของเธอ ไในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่เหมือนคงกับการส่งผลข้างกันคิดทำอะไรทำดีหรือไร